คือในมือ เป็นหินอะไรใช่ไหมครับในวิทย ธ, ธ, ธ, ธ, ธภัณฑ์นแล้วก็เพชรก็คือรูปหนึ่งของฐานคงคงเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับในทางวิทยาศาสตร์นะใครใครไม่เคยไม่ใครไม่เคยรู้บ้างรครับว่าเพชรคื อ, ค, อคือรูปหนึ่งของฐาน เพชรเป็นอันดัรูปของฐานครับคือเป็นรูปหนึ่งของฐานเพชรนั้นเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในในทางเครื่องประดับเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วผู้หญิงหรผู้ชายเนี่ยนิยมมากๆที่ชายลงเครื่องประดับ เราพิจารณาเดินครับว่าเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดในโลกนี้ครับเกิดขึ้นตามลำดับแล้ถูกพัฒนามาตามลำดับที่ธรรมชาติบ่มมันนึ้นมาบ่มเหมือนกับเหมือนกับเราเคยเห็นคนแก่รุ่นโบราเนี่ยก็บ่มผลไม้คนแก่ก็ชอบบ่มนะตัวันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นการบ่มผลไม้ถ้าบ่มกขาบ่มขาย ตอนผมเด็กเนี่ยพวกคนแก่ชอบบ่มไว้ไว้ให้ลูกให้หลานฮนะพอลูกหลานไปเยี่ยมก็เดินกันไปในยุ่งเข้าเขาบ่มเขามักจะบ่มไว้ในยุง่งแล้วเอาเมล็ดวงบางอะไรบ้างที่บ่มมาให้กินโลกนี้ก็ติบ่ม ดินนะครับฝืนดิน น, นะผมจนทั่งเกิดเพชรขึ้นถ้เราไปเจอเพชรตามธรรมชาติเราอาจจะไม่รู้จักนะครับมันคล้ายๆสารส้มแต่นายช่างผู้ช้านฉลาดนะครับเขจะเอามาเจียรไนเจียรไนคือก็ปัดหน้านั้นตัดหน้านี้ตัดหน้านี้จกนกระทั่งมันเกิดแสงสะท้อนแวววาว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 นั่นไม่ได้หมายนช่างมามาเติมไอไอความพูดภาษาไพเราะอะไรความเจอจรัดของมันไม่ใช่มาเติมนะฮะเสียงคลุกเคล็ดสำหรับ ต, ตัดตัดมุมนี้ตัดมุมนี้ทีนี้มันก็แหววงนะครับเค้วหินที่มีค่าทั้งหลายนะครับหลายๆายชนิดมันมีมันมีดีของมัน ได้ดีกายดีมีนะคือมีดีของมันเองต่างๆกันอย่างหินมีค่าที่ชื่อว่าดาวดำรู้จักครับ black star ถ้าประจีนอะไรแบบอื่นเนะี่ยจะไม่สวยไม่งามเขาจะต้องทำเป็นลูกโค้งวงเดินนะแล้วมันจะดูบอบป๊อปแล้วสิ่งที่มันสะท้อนออกมา สัมพันธ์มากกับบรรยากาศและดวงอาทิตย์ดวงดาวหินชิ้นที่หนึ่งก็เรียกมูลสโตนหินหินพระจันทร์ันต้องไปส่องแสงกับพระจันทร์เพราะนั้นมันกจะใช้สาหรับแต่งตัวตอนกลางคืนมันรับแสงจันทร์ขึ้นจะดูสวยยิ่งกว่าทองทองคำ มากมายครับหินสีเหล่านี้แต่ว่ามันขึ้นกับว่ามนุษย์หรือนายช่างเนี่ยครับเข้าใจธรรมชาติของมันเพียงใดจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับหรือเป็นสิ่งที่มีค่าได้ถ้าอย่างเราเราผู้ไม่ใช่ในายช่างาพลอยหรือนายช่างทองหรือเพชร น, นะครับเห็นข้าเราอาจจะโยนทิ้งกนได้ครับ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 ธรรมชาติดำเนินมานานแล้วครับนานมากมันดำเนินมาเองนานครับตอนทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เอาอากาศังถกเถียงกันนะครับนักธรณีวิทยานักฟิสิกส์ถกเถียงกันว่าไอ้โลก เ, เรานูนมาจากไหนจนถึงวันนี้ครับยังไม่ยุติ คืออยู่ยีดีมันจะเกิดขึ้นลอยๆยไม่ได้ผมหมายถึงโลกนี้ครับโลกที่ภาษาบาลีเรื่องอากาศโลกคือโลกที่ที่สัรียกรือเอิร์ทคือ Down ดาวนโปเคราะห์ดวงนี้ครับมันมาจากไหนกันนะแต่มีทฤษฎีหนึ่งนี่ก็เชื่อกันว่าน่าี้เป็นจริงนะครับนี่ผมออกนอกเรื่องสักนิดเพื่อจะเชื่อมโยงทฤษฎีนี้เรียกทฤษฎีบิ๊กแบง ระเบิดใหญ่เคยที่ยินไหครับคือก็สันนิษฐานในห้วงอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลคําห้วงอวกาศไม่ได้หมายถึงนอกโลกเลยตรงนี้ครับคือห้วงอวกาศเรามักจะเคยชิ่นึ่งบอกว่าข้างบนคือท้องฟ้าใช่ไหมครับที่นี่กี่ดินถ้าผมบอกตรงนี้คือท้องฟ้านีคงยังไม่เชื่อที่จริงนี่คือท้องฟ้าครับก็้าใจไหม คือช่องว่างนั่นเองครับช่องว่างที่เราเห็นอยู่นี้มันประหลาดสิ้นดียนะครับคุอเป็นเนื้อเดียวตลอดแล้วตลอดไปถึงไหนนี่ไม่มีใครบอกได้ครับเราเดินมุดไปมุดมาจริงไหมครับเห็นช่องว่างนี้ไหมถ้าเราไม่ตั้งสติจะไม่เห็นนะครับเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำ ใต้ปลาตัวหนึ่งมาถามปลาตัวหนึ่งว่าคุณเห็นน้ำว่มมันจะงงมากๆเลยแต่ถ้ามันตั้งหลักกันในตัวมันจะเห็นมันจะเริ่มประพิมพประพายกันมาว่าช่องว่างก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองทฤษฎีบิ๊กแบงหรือ <c oughs> อีกกันหนึ่ง <c oughs> เรียกเทอโมนิวเคียรับการระเบิดคลังล้งครั้งมาครั้งแรก ของของที่ที่ก่อกําเนิดเป็นเป็นเอกภพขึ้นแลสันนิษฐานมีหมอกแกส๊สก่อนครับแล้วมันก็รวมตัวกันขึ้นด้วยความเร็วดังนั้นมันเกิดแรงดันข้างใ น, นแล้วก็ระเบิดตูมขึ้นมาเมื่อระเบิดตูมขึ้นมานี่มันมันก็ส่งพวกสเกตดาวพุ่งออกจากกันนะครับดังนั้นดาวทุกดวงมันก็มันหนีจากกัน หนีจากศูนย์กลางศูนย์กลางหนึ่งเขาจับทิศทางนั้นได้ทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือมากเนื้อจับทิศาทางว่าดาวทุกดวงทุกระบบกันมันนีหนีจากจุดเดียวกันใช่ไหก็คือคนมันวิ่งตเตลิดเพลิงคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนร้อยคนแล้วมันวิ่งไปทุกๆ ท, ทางแต่มันหนีจากจุดเดียวกันนีน่นะครับ เรื่องเล็กน้อยครับมันไม่สำคัญเลยเราเราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เพราะยังไงเสียดีนี้เราเกิดมาแล้วแล้วเร า, เากำลังกันทุกข์แต่ผมจะเชื่อมโยงว่าจากนั้นมาหลายหลายล้านปีมาครับที่ว่ามนุษย์เนี่ยครับจะอุบัติขึ้นบนดาวนพเครอบดวงหนึ่งที่ชื่อว่า ชื่อทางอินเดียเรียกดาวราหู o o, โลกเรานี่เรียกว่ดาวราหูนะฮะมนุษย์เกิดทีหลังนะะดังนั้นข่าสมมุติจึงเกิดตามมนุษย์ก่อนหน้ามีมนุษย์ลองลองจินตนาการหน่อยก่อนหน้ามีมนุษย์มันก็มีแต่โลกและธรรมชาติล้วนๆนั่นเองครับเอามาฝนตก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 ทมใจดีมากาาคล้ายๆคนใจดีของเคยติดสา้วนั่งในห้องมืดๆคนเดียวคนะนสมนุนคนเดียว ไปไปบาดไปมันจะต้องรู้สึกได้ครับว่ามันคล่องกายคล่องใจขึะนะ้นแล้วถ้ายังหนักทึบจู่ทำต่อไปครับไปช้าไปนาจะใสขึ้นเองอางเหมือนเราขุดน้ำในบ่อนะครับบ่ดินเนี่ย ้นดินเราขุดไปจะหาน้ําพอเจอน้ํามันก็คือน้ําขุ่นน้ําโคลโนนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเราโกยตักทิ้งทั้งน้ําทั้งดินวิทเรียกววิทน้ําอะศาสตร์ศาสตร์ไม่ต้องไม่ต้องยั้งมือเลยทําไปทําไปไม่เช้าไม่นานน้ายยําสมาันจะไหลออกมาน้ําสมันซ่อนอในในดินมากกับจํานวนมาก จากความรู้สึกตัวนี่มันคล้ายๆเราพบตาน้ำนั่นเองเอ้พบพบน้ําแต่ว่ามันเยันขุนๆความรู้สึกของเรายังขัดขัดขุนๆหนักหนักทึบๆงงๆอรอยางนี้ฮรแต่ไม่ต้องทําอะไรันเลยพูดได้แล้วท่านหรอโอ้พูดเล่นไปก่อนงั้นเหรอแต่ว่าเล่นคือจริงนะ เล่นคือจริงๆคือเล่นไม่มีอะไรที่ใสามากกว่าใจนะฮะแล้วไม่มีอะไรที่มืดเท่ากับใจมืดดีกว่าความมืดนะี้ ใครอาจจะเป็นธ ร, รชาติที่ดีที่สุดนุม่มกันเลวที่สุดได้คนะันั้นเราต้องวางใจให้ดีบุคคลใดก็ดาตามผู้ชนอบบุคคลใดสำรวมจิตเป็นดวงเดียวท่องเที่ยอวอไปนะไรูปร่างสำรวมจิตดวงเดียวไว้ในถ้ำ คือกายเก็บใจไว้ที่กายนคี<า>คุณนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารคือคือมารจะตามคล้องเราไม่ได้จะตามจับเราไม่ได้เพะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยตื่นแต่เช้าทุกวันครับหรือทุกๆขณะที่รู้สึกตัวได้ ต้องเก็บเก็บใจไว้ในกายรู้สึกตัวเก็บเข้าไปในตัวมันยิ่งเก็บใจไว้มากๆเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งดีนะครับยิ่ง อ, อิ่มแล้วก็แข็งแข็งแรงขึ้นมีนพรานมัยสุขสมบูรณ์ขึ้นเองแต่เราไม่เก็บไว้มันก็จะมันก็ต้องถูกใช้จ่ายคล้ายๆเงินนะครคล้ายๆเงินคล้ทองเนะี่ย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 อย่ายอมเอาหัวใจไปไว้ไวที่คนอื่นง่ายนะครับใจเป็นสิ่งสีาสำคัญที่สุดในชีวิตครับงนั้นถ้าเราเอาใจของเราไปฝากไว้กับอะไรนี่มันอันตรายแล้วมันคือใจไม่อยู่กับตัวใจไปอยู่กับบ้านช่องหรือไรนอนหรือวัวหรือแม้แต่แฟนหรือคู่รักหรือ